ความเขารษาคือการยิ่านจิตอยู่ในขอบเขตหมายถึงวัดเป็นขอบเขตแต่วัดมีมีรัวมีที่หมายก่อกำหนดเอาตรงนั้นงนั้นบอกกันการตขาพษายิ่ามเข้าพรรษาถ้าหากมีเรื่องจำเป็นต้องไปมีเหตุไปทั้งเรนทองอื่น ยืนใจเต็มแตฟงเียืนได้ต่างหาไปทำในเจ็ดวันกับนอกจากนั้นการรักษาเรียนของพระที่นี่ไปสว่างนอกวัดวัดเปลี่ยนเรื่องตขอบเขจังวัดเราออกไปสว่าร้ต่รานนี้จิตอยาจะไปเกี่ยวเล่นสว่างในวัดหขาดปา ทางสาขาดทางทวินัยแบอบัดงั้เรื่องวัดของเราผมมีเรื่องเต ท, ที่ดวงเบาเป็นเกศใวัดในใจเป็นอยาออกไปในวัดออกไปได้กางวันกลางคืนแต่ต อ, อนเย็นเป็นสว่ า, วางาาใช่ไนได้อวินใหม่ อ, อ, อ, ม อ, อ, อ, อ่ใวัดขาดเป็นคนที่รู้จักตรงนี้ก็หมดในใจเราเวลาออกไป เกิดเด่สจากอากาศในวัดอย่างนั้นอยี้พอออกไปมันสว่างเป็นสาขาดแต่เป็นสาขาดก็จิ้ก็ไม่ได้นอกจากนั้นท่านเฮ้ยนาจะพตับอาบัตรแล้วตรงอยู่ในเกตของวัดแล้วสร้างอุจฐานมันตาก็ไม้เอาขอบเกศของวัดเป็นกดเกนฑ์อาอุฐานเป็นวิหาเลยคือหมายถึงมีอยู่ ของตัววีหารกติถ้าอธิษฐานอย่านั้นออกไปที่อื่นมันจะิดอีกเหมือนกันไปที่อื่นมีจริจริงให้อธิษฐานรวมเป็นอาลัเซ่อยู่ยในอาว่านี้นุนนี้ความป่วยไข่เจ็บเป็นอะไรขึ้ น, นไปจะได้ดูแลรักษ า, า, า, ากันได้อหามันมีเหตุสิ่งเกิดขึ้นแีอธิษฐานอย่ า, างนั้นก็คิดเร่งนี้อธิษฐาน หลายอย่างเล้ในนี่คือกันอยู่จำพรรษาถูกจิดมันม่นเอาไว้นี้ทำใได้ ด, ดูผสามเดือนแล้วแตอยู่ในที่นี้นมีเหตุจำเป็นมีมีดาว น, น, น, นันดาเจ็บป่วยหรือออาจารเจ็บป่วยหรือมีเททรือ่องจำเป็นจริงจังไม่จะก็หาไปเลยสามสิบเรไปภายใน เกิบคืนกระจับนาสืออาวาสอีกขาใปเลยนั้นพรนกาขาดเรื่องในพรนษามีความเป็นไม่มีจิตนิมนต์ของขายทุกขกากัอนิมนต์ไจก็ไปจบแต่น้องสุดท้ายเขาเราก็ไปได้จะต้องมีการจะหาไปคนอยู่ในใจมีใจอใช้ในมีใส่ศึกษาไม่รู้ว่า การจำพรรษาจำแบบไหนเดี๋ยในหน้าพรรษาโดยส่นใหเฉพาะครูอาารย์ท่านเคยสาธุิบัติมาเราก็อธิษฐานคดองกันคือบินสบายได้เส่นเคยคนตามมาส่งเสียข้างหลังเขาวัดแล้วในรักหมือเต็มระเทียนีที่เคยปฏิบัติมานะครับยอดบ้านวัดที่ทานเคยท่านเคยถือกันเพราปฏิบัติแบบนั้นอย่นียเนหน้าเวตา หายากสีว่าที่จะรักษาผู้โดนคนหน้ากันเมื่อเป่นนั้นเมื่อความํ า, า, าเป็นเกิดขึ้นหรือคนอื่นีอยู่ไกลในสาว่าเราทามกันแบบไหนเขาจอมาจากสถานที่ต่างๆก็ควรต้องข้าเ ข, ขามีหมายถึงมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเขาจะคือว่าคนนั้นไปในทาง แล้วทางก็ยังรับให้เพราะจะทำแบบนั้นเราก็ไม่เอาคนเก่าจะไม่ทำอยู่แบบนั้นจากน้มาเป็นการเป็นเวลาหนึ่ทันเราจะต้งงงองควบเข้าไปตามเรื่องแล้วก็ในเหตการเ ข, า, า, ขาปากเขากระดับบินคือยังกล้กรดับดินสิบกันแล้วก็มีงานบินี่เศษ ที่เขาจะทำกันมีจะจาเป็นงานกันปีของเขางั้นเราก็เงยเงยเลี้วงทีรับของเขาการทมนานอกจากวันสองวันนั้นแล้าก็ปฏิหารตามเดิมของเรามีมาถึงการปฏิหารขึ้นดงแต่เราคิดเพิ่มจนถึงก็ว่าวันกาางานสมัยตอนรับของใครอย่างนั้นมันเกิดิึ้นมาเนี่ยเคยมีแบบอย่างนะ ทานจนนั่งทานเคยเล่าแ้กองเก่าทานเคยพิษานขึ้นเดงเอาไว้็นเกิดคิดคิดทำให้คนเขมาทำบุญพินทานโยกเย้ยใจร้องไห้มาตบาปะเมื่อหนาในรับ่คนอื่นเ็ก็ไม่รับพระอยู่วัดแล่เขาไม่เห็นพระเอาอะไรของเขาก็กย้ยใจร้องไห้ร่าหลังมา ออมอีกหาในทานอีกกอทางาเก่าเขก็เลยร้งห้อีกแทนก็เลยที่งานองชิดมันเกิดทิจิมนะมันยส้งยืดขงกนไปก็เขาตั้งใจอยู่จริงัจแต่ถ้านาในทานบ้านเขาอยู่ห่างใจหน้าของคนจงก้อเขานีเป็นเรื่องของตางจังมันแขางเคยแน่สอนแล้วทำเพื่อความเหมาะสมเพื่อทายไมเนี่ยทเพื่อทจีนแม่นะ อันนี้ก็ถ้าต้องยินต้งใจเข้ามาไมทันแล้วก็เหงาของเขาเขานบางการบางเวลาตัวยาเสิทเยอะอใครมาตัวจะเอาให้เวลาไหนแบบนั้นมันเป็นตัวดงไม่ได้มันเปรนขอบเป็นเสียใจอย่างอย่างนี้ก็นาคุณดวงนาคันตาแกงี่จ้าอดยาอยากแกงนั่นก็เป็นไปได้หอกพอเป็นพอไปอยู่ เดี๋ยวารยินเทบาทน่าสนใจจับเปลี่ยนกันไปทางน้องกุ้งของตัหกองอย่างเดิมเพราะพระเนี่ยเเดิมทั้งสององค์จับเปลี่ยนกันไปในเป็นพวกหกองหนึ่งเดีไปเจวันแล้วก็ในวันสีนหนึ่งเปลี่ยนกันไปสลับกันไป ก็ได้ทาบุญตัวน่ะตัวตาคนหนึ่หมายถึงไปยินสะบาทรจับเปลี่ยนหมูบ้านท้งยินสะบาตรสองสายเมองนั่นการจิตฐานที่จะตั้งมั่นในจิตในใจในภาษาเป็นการเวลาพิเศษครูอาจารย์หรวอพระเทวราชเทวราตัวใหญ่เคยแนะสอนในภาษาเราไม่มีเทวราชจิตจะไปที่อื่น ก่าตังติดต่างใจทาความผากความเพียนใคจะจะมาทานเอาไว้วะในวันสัในวันศิลปแดขั้นสิบห้าขั้นเราจะนานจะชีในทศเรือเรืบทสามมีการนั่งการเดินการยืนเท่านั้นเรือบทนานอย่างนี้ก็ได้เพราะจะในทาความผากความเพียนหนกขึ้น พิษสันอะไรซึ่งเป็นเรื่องส่วตัวก็จัดกระจา่อิสรของตัวที่คิดมาแล้วทั้งตัวไปพิษสันเราพอเรามาบวดมันจะเล่นมาฝึนจิตใจธรรมะของเฉียเสียต่างๆการฝึกการคุยกันันั่นก็อนระวังรักษาจะตอถึงการฝูกยาในชุมชนส่งเสียงอุปถัิภ์นิดหนึ่ มันต้องควรกับมนละคู่ตั้งหมดคู่กันแก่พออย่ากินเสียงอย่าให้ฝุดเลยขอบเลยเฉดดังลั่นว่าเรากันแบบชาวบ้านคู่กันแบบที่เล่าเขาดูหนึ่งดูอากามันถูกแบบนั้นะจ๊งคิดต in <All right. S 2> ั้งนึกตัวของตัว การเกวนสาเป็นการสึกดวงจันทรวันนี้กันตามนี้เราจะเอาตัวดงตัวไหนตัวดวงก็คือการขัดเจ้าพิรลศออกจากกายจากใจทั้งตัวเราจะเอาแบบไหนทำแบบไหนจนเกิผลเกิดผลอะไรให้อะไรนี่คำนึงคำนวณในจิตสารกิดเอาไว้บางเพียงก็ลเอเสียหายไป ตอนจำพรรษาแล้จะหากรรได้จากาการประตุปฏิบัติปฏิธรรมแบบนั้นแบบนี้ผูกจิกอฏิฐานใจเอาไว้ถึงการถึงจะหมายจะทำไปเร้นองไรแต่จำเป็นมีนการเจ็บใข้มีอะไรเกิดขึ้นมีเลือ้อยสายทำให้เลื้อยสไยต่องตังใจตามคำอฏิฐานาของตน ปิบัตความจริงมันเก่ในพรรษาอนาะพรรษามันก็อของเก่าถ้าเราทำแบบเก่ามันก็อของเก่าถ้าเราทําดีนอกพรรษามันเกิดีทำชั่วนอกพรรษามันก็ชั่วในพรรษามันก็ชั่วแต่เราเห็นว่าหน้าพรรษาจะออกเดินเกี่ยวกุคลมูนผู้ดงที่อื่นไม่ได้เพราะเภายในบังคับเอาไว้เราไปตั้งใจทําความเพีย เป็นม่เป็นหน่วยเพราะสถานที่ทำความเพียรมันก็พอเป็นไปว่ากลางวันกล้งคืนความเป็หนเป็นเบาภายานวัดมีเด่งแต่ทามันเพียนไปทำไมมีเด่งกต่ทำมันเพียนในกันฟ้าก็วหนเอาทางแห่งออกกันฟ้าตัวหนึ่งเอเรื่องอะไรผนที่เกิดอยู่ใจก็เป็นโคฆะในเกิดสายว่าทางจิงใจนั้นถึงสุด ของรมสมเตื่ไว้ที่ฐานใจทำความดีในสมัยพิพการถูกปิดเอาไว้่าทบานั้นี้เราจะยังเห็นทันึงสึ่งทานตาจะทํานขอว่าปฏิบัติผัวจารจัดวิเศษตป็นหาจะให้เป็นพานอาหันให้ได้พานย่างสิบห้าวันด้วยเดือนหนึ่งทันทีเพ่งตั้งใจแบบนั้น เป็นก็ถึงจุดเวลาที่อธิฐานเอาไว้สาจะัไหนเป็นไปเหรอปฏิฐานอีเรื่องเขาไปอีกทันเขาไปอีกสามขาดความเพียนแต่บางสัมไม่องค์ก่อนบางถึงกําหนดเวลาี่อฏิฐานเอาไวเพราะความตั้งใจเขาจะปฏิบัติกิตใจก็อเป็นไปหนั่งคงในพุทธศาสนาเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมีสมัยพุทธกาลได้ยินแต่ขาวแต่ท่านสมเด็จเจ้าดาเศรษฐีพากาอาคารองหาร คนน้อยน่นเราเป็นอย่างไรเราศึกศาสตร์ในจิตในใจของเราดังนั underneath. ้นการมาบวช้างทำจิตทำใจหรือว่าสมนยพุ่อการหรือปนนจิตบันนั่นก็เกิดได้รัประโยชน์อะไรให้บวชบวชจิตเสียชีวเถิดเกิดเกิดเพลินบวชสะสมยุติเรื่งัญหานี้คืวานาที่อะไรแต่นี้จะคกันเลื่อนเชิไปตามเ่องของกิเลสที่เกี่ยวข้องเราต้องมีสติ ทงวารรักษาจิตของเรามันคิดมันเ ต, ต็งไปในทางชั่วทางเสียทางกา อ, อกุชนให้ทราบเป็นไปในทางเสีย ท, ทางหายทางรายตีเ้เองจัดจิตผับไหลอารมณ์ชั้นดาเสียนั้นไปจิตใจนะอย่างอเร่องทำท จ, จิตใจขายจิตใจจิตชั่วเตี้ยต่างหากมีทุกางปฏิบัติของตรรมะเพื่อความสงบ ทางจิตทางใจจิตใจสงบจิตใจมีอมีธรรมแล้วการรักษากายวาจาต่างๆพอใจจนถึงหัวหน้าใจเป็นตัวแต่ทานใจเฉวใจเสียแล้วการฝูกการท่านมันก็เียวกเสียไปตามที่เรื่องทุกคนทุกคนแต่ทีนี้ทุเรื่องมาสอนตนเพรการบวชก็เริบวชมาทำละกายใจทั้งตัวบวชมาสะสมกิเลสควาเป็นอยู่ทุกอย่าง เขาหมาเหมนแต่เขามีคุณค่าเขาใเดคิดอะไรกับพวกเราเนอกยจะเขาเอามาบูชาผูกประพืปฏิบัติอับทางแต่เรเป็นคารายาธรรมดาหรือชาปิสุเขาดูว่ามีอับมีทำอะไรทำไปก็นขอเลือดจากตูมนมีรังทีเจได้เขาก็มาให้พวกเราเขามให้พวกเราเดเขาดูว่าพวกเรามีอับมีทำในตัวข้างเรามีใจใส่เหลือง มือกระดูกแถวนั้นหร ม, มีอานมีทาอะไรก็จะต่างต่างดูจิตใจทั้งตัวในอย่างนั้นแต่ถ้าเรหรือ ต, รตัวเราเป็นพระสมณฐานสมาระปฏิบัติแต่จิตใจ น, น, น, นั่งเฉื่อยนังเฉียบนั่เหน็บนั่ดันขนาดไหนไม่เคยทีนี้ทุเกเจ้ามาขัดไล่มันก็เลยทำให้เสียไปเราจะอมองดูใจั้งหลาทั้งคนหรือยังก็เอาขอนนะ่หย สายสายสิ่ของของเขาการบำเพ็ญกุณณาธรรมของเรามันเป็นอย่างไรดวดตาที่เรียนมา็คือยู่ชี่ออาศัยแล้วก็ไม่ได้คิดเอ่เอาอะไรจากเราเอาตาเขาให้เป็นอิจขาอะไรแต่ความด่วนใจจะทาของเขาถ้าเราไปคิดเสืของเราเหนอสรมทางสีเงาหรือทางชันทางแตาเก่าว่าแบบได้ตกเหรอยแดง ยังดีกว่าบริโภคของสุกของชาวบ้านเพราะจิตใจของเราเสียเสียไม่เสียสารใดๆอะไรให้ตามตัวเป็นชักชั้น ท, ทั้งที่ตัวไม่ดีเป็จนจิตใรักพยาธิของเขาโ ด, ดนด็กแดงเข้าไปถูกปากถู ก, ก ท, ท่างก็ตายอย่างเด็กเป็นชะลกแต่คนที่หนึ่งอัดทำอะไรไในใจิตในใจบริโภคชาวตาแหงนุ่ม เป็นพย า, นายามเขาทายยกเขาจิ ต, ตใจมันมันจนชาติเมรนให้จิตใจมันเดียวไหรเชื่อเสียขนาดกามตัวไปมาอย่ยงยีดจากคนอื่นเขาเป็นบาปเป็นกรตายตา ย, ตายตไปตกนรกหนุกไห่ยิงเป็นที่เป็นใครฝ่ายบริโภคเหลืองแดงก็อีกทนโบราณกันเก่าไว้ เราเ ouais. ็นนักต้องปบัก็ต้อนเล่นจิตสใจทั้งตัวีเล่นจากคามเีความเสียต่างๆในนี้อย่างการเตือนการคุยกันอย่างการเตือนกหากันอนี้เรื่องแต่หากันอย่คนนั้นพูดอันนั้นคนนี้พูดอันนี้ย่องนี้ได้ละอะไรห้ยุดเกี่ยวจิตใจเลยนี้เถหดไปเยลาหมดไปรั้นหน้ก็หดไปในภาษาก็ไไม่เกิ อะไรให้ติตใจที่เคยเป็นจิดอย่างไรจะยิงเคยเป็นการเผื่อการเสียขิ้นตัวตนในต่างตาต่างตาทั้งนั้นกติบัตภายในนั้นตัวตัวเสียตัววเสียไหลจนฆ่าคนอื่นแล้วก็ดูหนุนหนุนท้าการในวีของตัวอยานันการมาบวช ม ป, ปิบัติเาเล่นมาเต้นาินมากินนะโอ้โหขบฉันปเเวเป็นยาแต่ทางชีวิตเอาไว้เพื่อจะเด็กจะเพื่อปฏิบัติถ้าใจชีวิตัญหาแ่านั้นเด็ันก็เด็กจำเทมคนหลงฉันก็เป็นยารักษาห่างกายไอคิดเฉยๆนั้นมันจะมีปัญหาอะไร ดีจะพะเยรพระยานในใจิดในใจการโยนเดินการภาวนาเราจะทำขนาดไหนแครัดจิตใจทั้งตัวเหมือนกันในอย่างนั้นมันเกินไปอยากทำอะไรกะทำอยากทำก็เฉลยอยู่ความเงีสงสารในภาสาเรายั่มีอะไรดีเดินให้ก็ต้อ คี่คิดเตืนองกายจิสงใจข้าเราอย่างนันเป็นโมคะเหมือนกันสมหนึ่งถึงเราไม่เป็นมเห็นไม่รู้อดทนที่ขี้เด่นเตาตาแต่เราเดยกจะทำมันเพ่งเด็กตัหนึมม่ตัวเองหัวฉันสา ม, มสนี้มัจะซิมจะขี้ไม่ได้กระเพื่อปฏิบัติอะไรไม่ได้ตั้งจิดตั้งใจจะทำมันเพ่งอย่ า, า, นามม้นั้นเด็กตั้งหนึ่งตัวเองห อารอะไรเลยเดินงกาวนากาวนาปฏิบัติสมบัติคือสมบัตอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ให้มเป็ น, น ท, ปที่ยึดที่ดีใจเพราะเลื่องความดีจิตเราทันไปนั้นแราลึกนึกขึ้นมันก็อนเต้นใจดีใจอย่างนี้ความชั่วความเสียต่างๆเราลึกใจท่าไรไม่ต้เผาจิตใจตองเัวเองความดีแล้วไม่นไมเผา เ่าทำไปอันนี้สงสิสงได้เกิดชินให้ใจของเราเกิออดเย็นเร า, เ า, าทำถูกคนอื่นเขากิสบายใจเขาเห็นการทำของเราเอาจิงเอาจริงการรักษาตัวของเรเองเป็นเรื่องสำคัญศาสนาสอนรักษานะกษ า, ายใจใจของตัวคนอื่น จะรักษาใหา้ถนัดดีป่ะคนอื่นถึงจะดูแลรักษาอย่างนี้ในถูกเพราะตัวคนเจเ็ต้องรักษาตัวเองต่างคนตารักษาตัวเองด้วยจัดผิดถูกมีชั่วในเรื่องทั้งทางดนะ้านในและวนกัรอยู่วงการันโก็ลอดยใน น, นี้การทะเลาะเบาแหวงกันมีมากองกรเป็นทงี่มีคุณค่า กูบาดใจกูเบ้าใจกูทะเลาะเบาแหวนัางคนนั้นทาอันนั้นคนนี้ทาอันนี้มันต้านกันไม่เกะแข่งแย่งกันไม่เกะทาเสียทางเสียแล้วนี่หนักใจนะหนักใจมากไม่อยากจะรักไว้ถ้ารักหล่เกิดประโยชน์อะไรให้ถามมันตั้งใจทันยินทันจันก่อนยินดี เพราะเขาหนุ่มเป็นพันก็รับได้ถ้าเขาหนึ่งดีห้างดีทุกตัวของเขาดีไม่มีอะไรที่จะเรดเกบียห์หามีแต่เ็ษชูบูชาศาสนาตัวของเราเห็นท้าโทกเพื่นฟุ้งหลงขันสายขันเคลี้นมีอิกมีใจเป็นอาจเป็นธรรมนั่งตัหน้าเลื่อนใสเต็มใจอยากจะรับช่ององสององเท่านั้นก็เลย อยู่ตรงรอยกันฉะ น, น, น, นั้นอย่างนั้นเชิญนี่อย่างนี้ความขาดความเพียงตรงนี้ใครสี่จะสั่งใจเอาใจใส่จะกินจะขี่จะเ ส, จจะเ ส, จสะดจะเช้ญอวัดปฏิบัติอะไรกอนน่อย่างนั้นมั่นอยู่คนเดียวอยู่ฝาตัวเ้รื อ, มมองตัวปกครองตัวเ้องตัวเมือนจรับผิดชอบดูเชื่อจากคนอื่นทนท้านะที่เป็นห้าหน้าวะจะจง อนัดนวาทุกองมันก็อยู่ในสายตาดีมาเท่ากับสลเส้นวัดนั้นวัดนี้มีข้ามเงินแต่ถ้าปฏิบัติดีแต่ชั่วมามันจะเสียหายได้ิงงัน้่ถึงข้าวกวนฟุงตาหนอยคนเดียวเท่านั้นตาคนอุ่นจะยังมีชีวิตอยู่อยู่ก็ตามนั่นก็เหมือนเาองอยู่ในทาทีนาอันเดียวกัน นันต่างๆต่างกลุต่างระวางรักษาถึงใจจริงจะเป็นไทยอันตรายต่อพระศาสนาต่อผางตัวต่ออย่างนราะนั้นสิ่งนั้นจิตใจนั้นจะไขวิจอยากจะทำอยากจะพูดก็ห้ามเอาไว้เพราะนั้นเป็นทางเส่ยงเสียต่อหมู่คณะต่อพระศาสนาอย่างที่เรื่องของพระศาสนาเป็นหลักเป็นเเป็นสำคัญถ้าเคิด เราเป็นคนคนหนึ่งที่ถูกมอบหมายจากพระผู้เจ้าในกดูแลรักษาศาสนาะตัวยังศรัทธาของคนที่ยังไน่มีศรัทธาให้เหลื่อนไสคนที่มีศรัทธาเหลื่อนไสแล้วอยากจะให้เขาเหลื่อมใสยิ่ๆงๆขึ้นไปรักคิดได้อย่างนั้นการทางการศูก ข, ของเรายังจะมีขึ้นเพร า, ราระรักษาเรื่องขอศาสนาโอเครักษาแต่ ต, ตัวของเราเท่านั้น ามาันจะคิดอะไรกันจะทาจะพูดนั่นจะเส่อนเสียาสู่ศาสนาหลือมันจะเป็นอย่างไรในไปคิดใน ไ, ไคิดอย่างนั้นเย่างนั้นเสียหายมาถึงเขานั้นก่อนน่เสียแต่เราจะไปถึงศาสนาพระวัดนันเนมวัดนั้ น, เ, น, น, น, นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพ้าดูยิ้มยินท่าเพราะทํามในดีของเราจริงจังไม่ใช่เขาหาเรื่อง นะโดนหีงทาานเป็นอย่างนั้นเราโก่งระวรักษาแต่แต่เราทำดีอยู่เขานะโดนหีงิทานี่ยจะเป็นเรื่องของเาไรเงี้ยเดี๋ยวอกใจอะไรเขาเาไม่รู้เท่าเรื่องของเราจะเป็นอย่างไรเราทำให้ดีแต่อย่าจเาเขาเล้ันเาโเขาเลยนย่อากงมืมีตามีใจ ทีนี้พี่แจงนะศึกษาเรื่องต่างๆคนที่ยังไม่รู้เรื่องเขาทาอยู่ไงก่อนศึกษาจากหมูคณะสงสัยอะไรแต่ใถามแต่อยู่อย่าแบบงหัวโตต้งคิดอะไรมันใจถามให้หนกกิดหนักใจก็ถ้าขวบขวน่งสูงคิดต้องพี่แจงนะคนนี้มีปัญญาไหมนึกนึคิดอะไร รักษาตัวใจตัวเองก็ไม่ได้จะรักษาสมบัติของศาสนาได้อย่างไรต้องคิดต้องนึกถึงวิจารณ์หาทางสอนรวมขอบคุณศทาที่เปียนมานำใจพิณที่เกณฑ์มาจับรูงใจเราใจใจของตัวอย่างไรคํานาสนี้อย่งเกิดสารประโยชน์เราติด อยงเหล่านี้เป็การบังคับกันบังคับกันแต่อยู่ในโยงของเขายในบังคับเอาไว้้ากใาครทาผิดไปท า, ายายจะจับโทษถ้าเสกเสื่อมเสื่อมต่อในชอบในยินดีอย่งนึ่งหรือแต่หนาเขากไปจะขาดไล่หรือระทักเสกเส่อมเสื่ต่อไปจะเสียหายต้งทำไปตามงานที่ของทายาย เ่ของพระธรรมคือเป็นเรื่องละ เ, เอียดเข้าไปกว่าเรื่องของพระวิ น, นัยเรื่องสติปัญญาที่จะรักษาจิตใจของตัวเัวดีถาเรามี ส, ส, สติมันจะทราบการคิดการตรงแต่เราไม่มีสติมันจะไม่ทราบแต่อะไรมันผิดมันถูกขอยส่งองคอยดูความปรงของจิตสงใจนั้นเฉวดียไปจนลุนกลารไปสู่คนอื่นนั่นก็อนแสดงว่ามันดาก เดินไปแล้วการพูดคุยกันเนี่ยทั้งคันบาทีเสียงลั่ the, st, นเนี่ยวกีเล่าของเขาเขายังมีสติการเป็นอย่าไปพูดเสียงดังจันเป็นอย่างนี้อย่าขวองกันต่างหน้าต่างตาเดินมาพร้มพระวนานี่คืออางปฏิบัติมาพูดกันคุยกันใจกันทางโลกทางสงสาร มันก็คิดจากสวีนังของสวีนัยกันเลยพูดคุยกันเรื่องเอกสารในกระถาเรื่องของโลกแขสอนให้พูดกันคุยกันเรื่องกระถาวัตถุพูดคุยกันอย่างควากน้อยพูดคุยกันเรื่องสัมโดสุดตามยินดีกามมีการไหนของตัวพูดคุยกันเรื่องการ 6ปีในหมูในคณะถูกซ้ยกันอย่างทางวิเวของกายของใจถูกไว้ในสถาวัตถุคืออวิชาตานักงยไม่นักมากแันจะถือยินดีใมนี้ทนได้สองตัวไม่เคยเยอะเทายางจนเลยขอบเฉดแสงตะเพิกตา ในคุทีโมงกันต่างสันตางองค์ก่เรื่องความภาคความเพียรปฏิบัติวิญญาลังคามีความเพียรที่จะแก้ไขใจต้องเตือนสิ้นเสียตกหลุดออกไปจนตรอดถึงทุกทีนานะทางใจไมหมดวิญญาลังคา ประกอความเขียนมีสกิแักสาตาเราใจใจของตัววิเวแต่ตาเมื่อเราทำได้อย่างนั้นจิตของเราจะวิเวเพื่อไม่มีนีวานทางหาหรือคือเหลือปัญหาเน่าเราควรจิตใจอยู่ในวงของอัด้องถังแต่จะสงบตัวสมบได้คิดตรงกว่าเสจะแก้ไขัใคร่ความสงสัยถึงเป็นที่เหลือภายในห้ตกใหยุดออกไป จิตรงบจิตมีอัตมีธรรมอีเลสเฉพาะจิตจะเป็นศีลคือปกติเหมือนการตรงจิตจิตของเรื่องต่างๆมีเรื่องศีลภายในศีนจิตจะทำในต้นใปเพื่อวิมุตเหมือนมีศีลมีเรื่องฐานขง อธิบายมาจิตใจนันก็หนักแน่เป็นสมาธิมีปัญญาและครอในการคิดนิดแล้วต่างกาเราจะจิตของตัวถั่วถึงในแห้เสียหายมีปัญญาที่เจอมาเห็นสิ่งต่างๆเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์ได้จิตใจจิตก็เปิดมุดหรือไมด คือข่าได้จากสมมติ่านได้จากความิขอจิตเคยเขียวต่เนมาเลือกวารมุมในิตของเซลเป็นมุดก็เกิดริมุดจานะทัศนะจิตลหลดออกไปแล้ว่็ท้าบในจิตขงเซหลุดออกไปแล้วมเป็นกระถาวัตถุที่พระพุทธเจ้าลงบอกเนพูดกันคุยกันก็คุยไปกฟังก็น มีความเสียหายอะไรนอกจากจะได้สดติปัญญาจากการาสั่งคือในทางเสียหายตัวของตัวและคนอื่นและศาสนาแล้วคุยันไป่ยงโลกขอ่ก็จิตใจก็เสื่อมไปลุ่หลงไปขาสติจัดดนนี้นิดจันนี้หน่อยเหมือนกับหมอนแตกนะทลุ เ, เด็กใ ท, ที่ที่หน่อยก็หมดหนั่นเลยตื่นแลหายมีการเสียหายไปร่างนั่นนี้รัางนี้หน่อง น, นัน่นก็มีทางเสียหายไปใหญ่โตได้ถ้าที่หายลวงรักษาร่างปฏิบัติแต่ต้องปฏิบัติให้ถึถงไม่เช่อพียงแต่ขี้วายนักปฏิบัติแต่การทาการพูดไม่มีอะไรเป็นสาระให้เด็กนะทำในเรื่องนักปฏิบัติ อย่ดูแลรักษาที่มีปจารณาอันามดีของเกิดขึนเามามีความดีในตัวของเราแล้วมันจไปเหยียดร้องจากใคราำดีมันกะันดีไหมใจของเราเราเอ็นจะเป็นสุกเหมือนดอกไม้ที่มันแก่าบานอยูอ่ในป่าในเขาไกลทะเลมันเร่งขึ้นเร่งขึ้นมันก็ไปเหวี่ย้ามันเสวงหา หนึ่งจะผู้ายแก่ลูยงฟอาจารย์ผู้สอนจะพิจารปฏิบัติดีชอบคริงจัง้ายในหง่อนกับใครเยนี้เสียเช่นเส่ยร้องจากใครแากเงนกี่หนึ่งยุนเสือหาความสุขกรกบแต่หาทีนี้เจอหนาสอนใจต่องตัวแล้วมาบวชนิสายชนะอย่าไปหลงโยนตัวคนนึ่งจะมาตามมาไหวนะเดี๋ยวมาข่อง เจ้าของตัวดีท่านที่เจ้าของตัวไม่มีอะไรในจิตในใจที่แบนั้นในจิตแบยกาดันจับถูกคอคลองแสงขงครองมั้ยจองเพื่อใส่กับใสใจว่าตัวจนผีคลองกบินออกไปจากภูเขาันเกาะใจจนกาดําตัวเก่าอยู่นะในจิตใจทั้งตั review, ท่านก็ทํางนั่งเยวกันแต้ไม่เหมือถึงทางถึงนี้หนยจริงจัง มันเสียนมานเชียหลกักตะกระ้าขาดบุกชั่วเสียหายนเป็นที่จัทร์ตาต่างตใจก็เหยื่อนีหลักตะกร้มีาเท่าไรแยิ่งล้มไหลยิ่งเสียไจในชุดไข่ในการจิตจัดตงมวิงจิตใจของเตัอในทางอบทางพันมันเชื่อมมันเสียแต่อย่างนะั้นคิดถึงเรื่องของตัว หนีลืมหนีงเรื่องอดเรื่องทำแต่ไหนแต่ที่บมันหนีเสียหายตามันมนีตายซะเหยื่อถุงมันจินมันก่อนแล้รักษาโดดมันหนีไปจินมันกิ้มหนีไเหยื่อตาแบบนั้นมันก็มีนี่พอดีเจ้าใจมันมีลาศการะหนาแน่อยากให้พุทธเจ้าท่านก็ไปเล้งไหลใส่ฝันในจีบข้องลาศการะที่เขาเอามาบูชาแต่ตน อยู่ทุกชนธรรมดาคนทานใงแบบนั้นเพราะถอก็ตายให่้าเท่าไปเลยหลงไหลแค่ไหนชาไหนยู่งในเลยเสื่อมเสียไปตลาดศักระศักระริสัสังติภาสาเราเรียกสังส่าไว้อยู่ของเราอย่างเช่นแบบนั้น สีขียวสีเสียว อ, อย่งระวังอย่ากวนอย่าไปทำในสีลับหรือสีแจ่มทำเชือกนี่ทำลงำไปแล้วมันยกไปคลายหลังถึงเต็มเลดืดยึดคืออาจารย์นึงพบไม่เห็นมันเ็เชือกเปนเสืออยู่ อ, อย่างนั้นตัวของตัวจะจะมีตัวของตั ว, ต ว, ตว อ, ววว อ, อาจารย์เชื่อเลยยกเอาไว้ไม่อยากเสือแดงสัางเชือกขางตัว นคนอื่นเขาเห็นเขาจะดูเหมือนเงนทานั่นนั่นถ้าความเชื่อเป็นบางอย่างมันก็ควรแสดงให้คนอื่นเขารู้จักอย่างที่ไปเหยียบไปสกแตกนันไม่ใช่คนอย่างยิ่ง น, นั่นที่จะไปผิดเอาไว้เราไปทําชื่อทำเสียไปผิดเอาไว้ในท้องควรแต่ของคนอื่นเขาเห็นว่ า, ไ ป, า, า, า, าไปเหยียบแตกฐานมันไม่ทราบว่าใครไดเหยียบมันหนามันจะเหยียบแตกมันนุ่มันก็เหยียบมันจะคิด แต่เชียงคนอื่นเขาเห็นเขาจับได้เลยมีคนไปทนอย่างนั้นแต่ยังนี้ยอมบอกคนอื่นแเรื่องเชื่อเสียที่คนอื่นเขาไม่เห็นมันจะหนักไปขนาดไหนแล้วก็เลยคิดจะทักใจอยู่แต่ทีนี้่เจนะฮะอยู่กับทวัเก่ยวกับสิ่งของในวัดทุกอย่างต้องถือว่าเป็นของของเราและต้องรักษาดูแลของของศาสนาในใจของของคนนั้นของคนนี้ ถ้าไหมีนาจะเดือดร้อนไหนมีอะไรจะใช้ขยายต่อไปถ้ามีมาแล้วนี่เอาใจใส่หนอด้วยด้ารักษานั่งจตนาเล่นเล่คิดเศรษฐีวิหารที่อยู่ที่อาศัยก็เเมืองกันเขาทำขยายฟ้านี่คือทําขยายเราคนเดียวเวลาเราไปดินธบาติหรือมาแต่ชมนี่ฉายาปลอดภัยด้รักษาอยู่นั้น เมื่อเรเปิดหน้าต่างจะตูเอาไว้ฝนตกฝนสาใส่มันก็เสียหายกระด้านเสียหายจีงข้องนี้กติร่มกันตัวจีนถ้าบาดจะเหมือนกันเอามาตรงจีนมันแห้งจะก่อนต้องเคยเก็บถ้ามันแห้งก็ต้องซึงเก็บถุงเอาไว้ก่อนบางที่พื้ก็จนตลอด้านตลอดพื้นจะเที่ยงอนั้นแ่ะมันแห้งจะเริ่ม้จัดเก็บ แต่เวลาไม่เพียงแต่ไม่เกดเท่าไรแ่ก็ข้าว่าอย่างนั้นนันก็เสียหายความรูจ้จักช้าเน้นผูอ ท, ที่บัตรไม่ฉลาดในที่เช่อที่แจงสองตันช้าขอ ง, าองอยาขนาดนี้จะนี้จะตปัญญาไปกันจัดที่หลดปัญหาได้ยอย่างไรแล้วตอนชีแจง่ายรอบครอบคือแต ท, ที่บัตรแต่ที่ท้วนิไปทุกสิ่งทุกอย่าง ตักษาศาสนาค้นโง่คัรอย่าศาสนาที่บาการที่รุดแต่ที่บติมาเป็นคนรโง่คนรสลาจทีงานศาสนามาด้ในตัวของเรามันแฉะไหนแบบใดต้องที่ไมาถ้าอาบกเหมือนการอาบแล้วต็องไม่งในจิหน้าฝนอย่างนี้ หนาแล้วตั <mister tumors> ั <Kelvin and grace fictional> ้นกัน wow ต like okay. ah ังค so okay. ืนแล้วนั่นก็จิขันเกีแต่างย่างฮะคนอย่านนั้นมีฝนตกมากเลยเกียดอย่างนั้นได้ยางนีอะไรควรจะใช้ได้เดือนเป็นปีกนในีั้นวเสียหายไปกูต้องคิดเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวมันท่วงจนไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนันเลยลืมหลงการรักษาการทิดไม่คิดเจริญ เราเคยปฏิบัติามาเคยเล่าไห้ฟังถ้าอาจะอยู่นั้นถ้าผู้ น, น้องจะอยู่นั้นถ้าเช็ดบากจะอยู่นั้นเพืนเดียวเท่านั้นมันอดมันยากไม่มีใครมาถวายให้เคยถ้ายสงฆ์ตาิตะนัทส้างน้ำฝนไม่ได้ถ้าวันเก่ า, ก า, ก า, ามันแก่จะไม่สงฆ์ามอดอยากเคยปฏิบัติามาไหนเคย อ่อนๆตันก็เหมือนกันบางปีก็ไม่เคยในขันขันก็วันสองวันอย่ามากมันเคยมามันได้อยู่สะดวกสบายวันนี้มันถ่วงเกินไปไม่คิดเรื่องต่างๆนานาแล้วเหนื่อยเลยหลงระบู่บ้างนี่กูเดือนเมษายนสองปีสามปีมันเลยใช้มันเคยมี เป็นท kh ั à, Nam, Nam, này, đ ường, đ ường ้งขาฮะทั้งไหล่บูรายก้อนหนึ่งพอดีแล้วเหนือาเห็นคนมาขอทานก็เลยให้ไปเสียงสือนั่ขนาดนันเยืนอ่าแล้วพึ่งจะไหวเปี่ยนการตัมถุงนั่งตาบเบอนั่งตางๆมันในดูเดินในต้องควรแม่เด่นนะเมันตกถูกมันก็ยื่ไปเสียไปในอย่างนั้นก็ยนันมาเห็นใครบางคนตัเอาไปขาดเอาไปของทุกสิ่งทุกอย่างท้อรู้วยกรักษาตั้งชื่อว่าเขามีคุณค่า ไองเจ เ, เขาเก็บตามยินตามอยากนะให้เขาซื้อมาหามนาะทำให้จัตวาของเขาเหลื่อนใส่ในอย่างนั้นมัน เ, นเลยอบเลยเดตนะันรู้จักต่างจัตวามันเสียหายแต่ น, นั่นแหละนี้ขอบมเีเขตในที่นี้พิเจนานะของใหญ่ใหญ่ยขามองเห็นได้ภายในมันจะเป็นอย่างไรเ้าจะมองเข้าไปถึงตัดนะ สิงทุกอย่างสอนตัวของเต้าให้ทุกอย่างนะเต้าของเต้าให้ทุกอย่างถึงในอย่างนั้นในศาสตรศาสนาในแบบนั่นเองการรักษาเต้าพระพุทธเจ้าบอกมาในเทวีนายทุกอย่างการขันก็บอกการขี่การเหี่ยวก็บอกคมและลายท่านก็บอกเลยในเทวยนายหมดงานงอนดอกละเอียดขนาดไหนในเทวีนายเราจะ หรือว่าเป็นข้งเล่องอย่างนีเ้เท้ายนอยู่ในเตื้อแล้วอะไรมันจะดีขึ้นได้ไม่มีแผ่นดินจะไปปลูกสั ง, สงอะไรได้ะท้ายนัยก็เหมือนแผ่นดินแล้วสังแลศาเอาไว้สิ่งด้ิมีในเทายนัยสิ่งไดสิจะเป็นไปเถิดกันดีงามีนสังแลศาแต้มลาผ่าตั้งเงินมันอยุด ในเรื่องสวีนัยสวไนัมันเสียหายแล้วหรอกจะพูดเก่งคุยเก่งไปขนาดไหนไปเถอะจะพูดตลอดเดือนตลอดปีเราเคยสร้างยิมามนบนอากาศไม่ต้องต่างบนยินมบนเขายม่ื่อที่ไหนก็นาจมาเชื่อการกระ ด, ดิบัดเรือจจเ่องสาีนัยจึงเป็นเรื่องสาคัญ <c oughs> ก็ทาก็ยิงละเอียดเข้าไปพากันตั้งใจที่ไม่เข้าใจนะทา้งนาตั้งตาปฏิบัติโอกาสเวลาที่จะอยู่ร่วมกันมันก็เลยแต่แบบนี้จะอยู่รวมกันเรี้ยวใจนะแล้ไม่มี้จ่ท่านจะนี้ต่เราในอยากจะอยู่ร่วมกันบางทีท่านก็ตายตาหายตายลด้อย่างนั้นอยู่รวมกันมันก็อยู่ได้เวลามีครูมีอาจารย์ผู้เป็น ใคที่อยากศึกษาได้อะไรตัดว์ข้องในใจการไปคุยปฏิบัติท่านจะได้พูดในแม้ให้เราต้องรีบเร่งแต่ทำมันเพนเอลเสียมันเป็นผููใหญ่มาพราะหน้าที่มันจะเห็นเห็นไหมอ่ะในนี้โอกาสเวลาเป็นของของตัวนี่จะพูดแต่คุยกับคนนั้นคนนี้อยูอย่างนีมันถูกมันสบายที่ไหนนอกจากคนหลงต้องการอยากได้สิ่งของของเขาเท่านั้นคนไม่หลงมันมีอะไรสึกสบายให้อยู่ หายใจเฉพาะตัวมันก็ได้ไม่มีใครนะเกียวของรบกวนทั้งขามันีกมันหีกคิดเด็จึงมันกระดู๋ยิ่งคิดยิ่งจึงไปถอะไรไปเหน่ยเหนื่อยไปถอนะั้นเป็นผู้ใหญ่มาพระหน้าที่มันมีมากถึงงานอยากจะ ไ, ไ้ทำหลวกวัดติดตามแต่การคิดมันคิดรอบคิดทั่วในอย่างนั้นตัวเสียหาย มันเป็นพละกินหนักแดดทางรักผมทานสามพละกินหนักจะต้องเบาแจกมาจากที่ไหนก่แต่หาสมทานเะอะไรเสด็กถึงจะนมทานอยู่นะเราจะนี้โอกาสเวลาเดินไปกลมภาวนาดูจิตดูใจของตัวให้ถึงมันย่าอะไรที่เรายังอยู่ในเรื่องในเงาัองครูของอาจารย์หยุดหย่อนทั้งค้าย จะทำบาเพ็ญอย่างนั้นเป็นมันรู้อย่างนั้นเป็นภาระในการละการบําเพ็ญของใจเป็นผู้ใหญ่รับนาขี่ไพ่ไม่ของไมนรับนาขี่ไพ่ไม่อกเวลาเกิดใจรู่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะละจะบําเพ็ญในตัวของตัวหลังถัวมันถึงแล้วนี่มันในต้นอย่างนั้นตัวของตัวเองก็ไม่มีอะไรใครยังจิตในใจแล้วแตจะไปหาไอ้คนอื่นเขา แต่เสื้อห้องตัวก็ยังไในอีนในคอยจังอดดังจรนอยู่มันก็ยุ่งแย่นะต่างชุดเนี้สอนจิตเอาไว้ตั้งใจปฏิบัติการรักษาศาสนาการปฏิบัติทำนี้นั้นเป็นของละเอียดอ่อนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์มีระเบียบดีงามมาทุกอย่างนะบวช ขันจริงมีความเรียบร้อยมีความดีเด่นทุกอย่างไปมอนเราผูกมาบวชเพื่อเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเขาบวชเฉพาะพระพุทธธรรมพระสง์ดีดีที่เด่นม่ไดบวชเเป็นเทวทัพเจ้าหนังกระต่านี <c oughs> นหมูหมาเจ้าหนังกระ า, านีเราไม่เคยว่า <c oughs> ก็ ต, อต้องการนักปัญญาทำความดี น, น, น, นัรรัญญารนมีอะไรเนาะนักปัญญาคนมีอะไรอยู่ไปแบบคอยรัตงต่แบบนั้นไม่ขอท่ า, าที่จะมาศึกษาดูมันก็รบก ว, วนเรื่องของการขอนปัญญากัวที่มาเขาใสใจกันแบบนั้นก็ไม่มีอะไร เราไปก่งพ า, าไปทำบัดคุณจะทำบัดสงแล้วก็อธิษฐานบัญชาเชื่อที่ฐานกันแข็งที่สนนุด ท, ทำไ ม, ม่เสร็